ตั้งใจกันสถานที่นี้เป็นสถานที่อบรมจิตใจโดยตรงอากาศก็ดีปลอดโปร่รงก็สงบสงัดไมีมีเสียงกับพกกระทัง่งและว่าเป็นสถานที่มร แกี่การฝึกขนอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้มีศรัทธาได้มาสึงสถานที่เช่นนี้แล้วก็ให้เพิ่งตั้งใจลงเพราะว่าการฝึกขนอบรมจิตนี่เนะี่ยท่านต้องให้เรียกสถานที่เพราะสถานที่มันช่วย กล่อมเกาจิตใจให้สงบระงรับลงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปอปบตมอยู่ในสถานที่มีเสียงกระทบกระทั่งกระสือกระโคมอยู่อย่างนี้เนะี่ยมันหาความสมบงบไม่ได้เลยจิตนี้ดังนั้นการที่สร้างวัดก็ จ, จึงสนใจมาแสวงหาสร้างแต่ในสถานที่ มันสงบสงังน็ต้องควรเห ม, ม, มาะแก่การเจริญธรรมะธรรมของภิสุสรมเนรอีกด้วยอุบาสกวาสิกาสนใจอยากฟางอบรมฝึกฝนตนก็เหมาะสมเพราะการที่อบรมจิตใจนี่มันทำได้ยาก เนื่องจากว่าต่างคนต่างมีกิเลสอยู่ในใจวันนี้กิเลสนั้นมันจะไม่ยอมให้ใจสงบที่ีเราจะพยายามทำให้มันสงบมันเป็นอย่างนั้นเออมันมันแย่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ใดไม่หวังความสงบใจจริงๆมันถึงมาทำความเพียร เพื่อสงบจิตใจไม่ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวเท่านี้เมื่อจิตดวงนี้น้อมไปทางใดแล้วมันก็ไปทางนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตนี้ชอบความสงบมันน้อมไปชอบความสงบเช่นนี้ล้วก็ไม่เหลือวิสัยการทำความเพียรภาวนา เพื่อให้ใจสงบลงเพราะว่าตัวดวงจิตนี่นะมันชอบความสงบอยู่แล้วพราะจิตมีดงเดียวไม่ใช่มีหลายดวงให้ความคิดนั้นไม่ใช่ดวกไม่ใช่จิตแต่ยังว่าความคิดความคิดนั้นมันออกมาจากจิตในบาลีท่านเรียกว่าสีสติกธรรมเพราะนั้นอย่าไปถือ มันในความคิดเมื่อมันคิดไปแล้วเรามีสติกำหนดรู้เท่าแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปบรรดาความคิดทั้งหลายนะ่ะมันก็ยังเหลือแต่ความรู้อ e ันเดียวนี่อยู่ภายในการฝึกฝนจิตก็เพื่อที่จะให้รู้เท่าความคิดความนึกนี่แหละเพราะว่าเราจะห้ามไม่ให้มันคิดไปเลยก็ไม่ได้จิตนี้นะ่ะ เพราะมันมีหน้าที่คิดอ่านกลางงานต่งตางๆถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้อย่างนี้แหละอย่างเช่นผูกคลองเรือนอย่างนี้นะถ้าไม่คิดอ่านกลางงานการทามาหาเรี่ยงคิดมันก็มองไม่เห็นช่องทางที่จะได้เงินได้ทองมา อ, อย่างนี้แหละอันนี้มันจาเป็นต้องคิดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าของคิดนั้น ไม่ยึดถืออยู่ในความคิดนั้นคิดแล้วรู้แล้วก็แล้วไปนี้นะไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เสียใจกับความคิดนั้นความหมายคาว่ารู้เท่าในไที่นี้นะคาว่าไม่รู้เท่าก็หมายความว่าคิดเรื่องน่าเสียใจขึ้นมาก็เสียใจ คิดถึงเรื่องหน่าดีใจขึ้นมากุดนี้อกดีใจเหลือทอนทนประมาณอย่างนี้ท่านเล่าว่าไม่รู้เท่าความคิดตัวเองผู้รู้เท่าความคิดมันก็ทําจิตให้เป็นกลางอคิดแล้วก็แล้วไปแล้วก็เลือกคิดบะนี้คนปฏิบัติธรรมนะคนมีภาวนา ไอเรื่องใดที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นแต่โทษอย่างนี้ไม่คิดมันเราคิดแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์เช่อนอยู่เฉยๆไม่มีเรื่องอะไรภายนอกที่จะให้คิดอ่านกลางงานต่างๆนี่เราก็คิดดูคิดถึงขันห้าธาตุสี่อันนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้นะเอาเอาเป็นเครื่องอยู่ หมายความว่าอย่างนั้นจิตนี้จะให้มันนิงนิ่อยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เนี่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแต่เพื่อมาให้มันคิด เ, เพื่อมาให้มันคิดไปในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะเราจึงน้อมสติเข้าไปประคองจิตให้คิดคิดเจรณาอิสในธาตุสี่ขันห้าอันนวงจิตอาศัยอยู่เนี่ย ธาตุสี่คืออะไรบ้างอย่างงี้นะบางคนแทบไม่รู้จักถึงธาตุสี่ก็มีขันห้าอย่างนี้นะเดีย๋ยวมาไปเทศอยู่ในบางแห่งในภาคกลางนะาเนี่ยแล้วเทศจะถามขันห้าคืออะไรบ้างไม่รู้เลยออย่างงี้ยนะทางสิเทศให้ฟังจนว่าขอแรงอธิบายเอาจน พอแล้วเรื่องสันธหา้าตุีอันนี้นะแต่เจะแล้วมาถามนี่ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้แล่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปรู้ได้ทุกคนนะของหมดนี้นะมันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของใครของเราคนมีบุญวาสนาบารมีจะก่อนมาอย่างนี้นะ พอเพื่อนเทศอะให้ฟังแนละ้วมันเข้าใจได้ดีมันจำได้ดีเหมือนอยังเอหญิงค้อมตั้งแต่ข้างอุธ์ะเจ้าเนะี่ยก็เคยนำมาสแสดงสู่กันฟังอยู่แต่บางทีล้วก็อาจจะจำไม่ได้กันเลยหญิงค้อมนั้นเป็นคนใช้ของนาง สามาวดีอาคเมสีของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีประเทศอินเดียครั้งนั้นนางสามาวดีนั้นได้ให้หญิงข้อมคนนั้นเอาไาเป็นคนใช้ให้เปซื้อดอกไม้มาให้วันละแปดกะหาปหนันนากะแปดบาทนี่นะไหม มันนี้นางหญิงค้อมนั่นก็ไปโกงเอาแค่สี่กาหาปะหนะคือมาให้พนางสาวมาวดีเพียงแค่สี่คาหาปณะห น, หนึ่งถูกวันถูวันอะ น, นี่ยในสามนานเท่าไหรเนี่ยแตในวันหนึ่งเจ้าของสวนดอกไม้นั้นจะทําบุ่นกญไปชักสวนหญิงค้อมนั่นอยู่ช่วยทําอาหารถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ และฟังทำด้วยกันว่างั้นหญิงข้อมกรอยู่ช่วยการช่วยงานดันั้นจนสำเร็จลงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมหญิงข้อมก็นั้นฟังธรรมไปจําได้มุดทุกบททุกบทที่พระเจ้าทรงแสดงในที่สุดเพื่อพระองค์แสดงธรรมจบลง หญิงข้อมคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาบันข้อมทั้งแปดขาในอาจได้ทำที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นวันนั้นเลยซื้อดอกไม้พัทั้งแปดก็หาพนักจะเลยพอเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วมันก็มีศีลบริสุทธิ์แล้วจะไปร่วมศีลไม่ได้เลยโสดาบันเจึงนั้น ก็เลยซื้อดอกไม้ทั้งแปดกหาปหัญหาก็ได้หลายที่วันนี้แปดกรรมเมือกรรมระบาดอ่ะเอาไปถวายนางสาวมาวดีวันนี้นางสาวมาวณีเห็นดอกไม้มันมากกว่าปกติมากก ว, าวันแต่ก่อนก่อนก็เลยถามมาเอ๊ะทําไมวันนี้ดอกไม้มันจึงมากกว่าเท่าตัวล่ะมากกวันก่นก่อนตรงนะ้อ๋อวันนี้ ไอ้ฉันซื้อมาทั้งแปดกหาปะหนะวะฮอแต่วันก่อนนั้นไอ้ฉันซื้อมาเพียงสี่กหาปนะหนึหน่งวะฮนี่ฉันโกงเอาเงินเจ้าแม่ซะสี่กหาปะหนะวอฮะวันนี้ทําไมจึงไม่โกงแล้ววันนั้นนางถามอมาบดีถามเพราะไอ้ฉันรู้ธรรมถึงไม่โกงคน่ะนั่ น, นี่ง ได้ฟังทำพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่บ้านของนายมาราการแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์โดยแจ้งแจ้งโดยปัญญาดัง น, นั้นดิสันจึงไม่ทำบาปแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้เลยก็ได้โกงเอาเงินเจ้าแม่ไปซะวันละสีบส่บาทสี่บาทเอ๊ แทนที่ว่านางสามอาวดีจะลงโทษหญิงค้อมนั้นไม่ลงซะแล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้แสดงคางให้พวกเราฟังด้วยถ้าหากว่าเจ้าจำได้นะจำได้อ่ให้จัดแต่งตั้งธรรมะมขึ้นวางั้นมีพัดพร้อมหมดแน่ว อ, อันฟังว่าพระพุทธเจ้า เสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนมีพัดด้วยองค์ก็ถือพัดไอ้หญิงพร้อมคนนี้เมื่อถึงพร้อมแล้วก็ขึ้นนั่งบนธรรมวาสแล้วก็จับพัดแล้วก็แสดงธรรมให้หญิงห้าร้อยคนฟังไม่มีผิดเลยเพระพุทธเจ้าแสดงอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นก็ อ, องค์รีลาแสดงอาการรีลายอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นอืม พอแสดงไปจบลงนางสามาวดีกรบริวานห้าร้อยก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งหมดเลยอย่างนี้แหละต่อจากนั้นมานางส า, าววดีสามาวดีก็เลยยกหญิงข้อมคนนั้นให้เป็นอาจารย์ไม่ให้เป็นคนใช้แล้ววันนี้นะให้ตั้งอยู่ในฐานอาจารย์ผู้สอนอัดสอนทำให้ แลยค้นจากความเป็นทาสีเพราะสมัยก่อนนั้นมันมีพวกขาดพกทาสีาสทาทาสานั่นเยกว่าผู้ชายทาสีและผู้หญิงอย่างนี้อย่างนั้ น, นเนี่ยการรู้ทำนะวันนี้เมื่อมีผู้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมหน่อหญิงคนเนี้หญิงค้อมนะและเป็นคนใช้เขา มาฟังทมถึงได้รู้ทมถึงได้บรรลุธรรมอย่างนี้กว่านั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงอดีตชาติของหญิงข้อมคนนั้นนะตั้งแต่ชาติก่อนโน้นในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในสมัยนั้นไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นหญิงข้อมคนนี้ก็เป็นนางสนม ของพระราชาพระองค์หนึ่งเมื่ในครั้งนั้นพระราชาเริ่มใสในข้าวประเจกเพื่อเจ้ามากก็ได้มีมนินข้าประเจกมารับปินจ่าบาทในพระราชวังทุกวันเ่อนี้หญิงข้องคนนี้ก็ใส่บาดร่วงกับนางสนมอื่นๆนั่นแหละใสพอไปเห็นในขาพาวประเจกดาราองค์หนึ่ง ท่านเอามือประคองบาตอย่างนี้นะั้นยื่นมารับค่าวบาตนี้ยแล้วก็ตักเข้าวร้อนๆ น, นั้นใส่ลงในบาตนี้ยมันร้อนสิวันนี้มันร้อนก็เปลี่ยนจากมือขวามาเอามือซ้ายรับเอร้อนจากมือซ้ายเปลี่ยนเอาจากมือซ้ายมาใส่มือขวาหญิงคนนั้นเห็นอย่างนั้นก็เอพอพระผู้เป็นเจ้านี่ร้อนมากมาก เราจะทําเชิงลองบาทให้เขาเพราะเป็นเจ้าก่อนอย่างนี้แล้วก็เลยไปทําเชิงลองบาทตอไปสาบเพื่อนทํากันยังไงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเข้าใจว่าคงเย็บผ้านี่เนะี่ยเป็นเป็นสะเวียนเป็นมวลมวลไปอย่างนั้นหรือเปล่แล้วถวายท่านให้ท่านเอาลองบาทเวลานับบิณฑบาตร มันก็ไม่ร้อนแบบนี้นะมันมีผ้ารองอยู่ตอนนี้สงกานั่นว่างันมาอำนวยผลให้นางหญิงข้อมคนเนี่ยมีสติมีปัญญาเอ้าแล้วทำไมหลังจึงโกงหลังจึงข้อมแบบนี้ที่หลังข้อมก็อย่างว่าคนเรานั้มีทั้งจาิิอึดใช้ทั้งดีทั้งไม่ดีตางคนก็ชอบตลกขันนอง เห็นพระประเจกองหนึ่งท่านเดินท่านอายุยืนนี่ค่ะแันหลังสังทงั้งโค้ท่านก็เดินก้องเกาะกองเกาะเข้ามาในพระอจะวังมาตับบินบาทนะพอท่านไปแล้วยิงคนนี้แหละก็เอาขันน้ำ อ, อะไระมาแทนบาทมาทำแสดงกิริยาการเหมือนอย่างาพระปเจกอง น, งนั้นทำเป็นหลังโกง เดินไปเดินมาให้เพื่อนในหวัวเลาะท้อใจกันมากว่ากันกรรม น, นั้นแหละเลยมาตกแสงให้เกิดมาลเลยเกิดเป็นคนคล่อมไปอืมนี่คนเราทํากรรมอะไรเนยต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นท่านว่าไว้ไม่มีสิทธิ์เลยอ้าวเพื่อทไมเลยเป็นคนใช้เขาเมือนี่มันก็มีกรรมอีกอันนึงอืม ตั้งแต่ชาติหนึ่งนั่นเป็นลูกเศรษฐีแบบนี้เป็นลูกเศรษฐีระเบานี้ก็นาในสมัยนั้นมีนามพิสุณีเหมือนอย่างขั้งพุทธเจ้าแล้วเนี่ย น, นะนามพิสุณีอรหันต์องค์หนึ่งผมว่าคุ้นเคยกับหญิงสาวคนนี้นะ่ะซึ่งเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยวันนั้นนามพิสุณีองค์อรหันต์มาเยี่ยมเพื่อน น, นะในขณะนั้น ลูกสาวเศรษฐีนั่นกำลังทอหูก อ, อ, อยู่องจะเป็นยกลานไม่สูงอะไรมึงเป็นลานทอหูกะ่ะบางเอิญนทำกระสวยตกลงไปในขณะที่นางสุนีนั้นท่านมาถึงก็เลยขอร้องหรือว่าใช้นางสุนีนั้นให้ออไม่ใช่กระสวยเอาหวีหวีที่ปักอยู่บนผมเนี่ย มันตกตรงไฟเลยเลยขอร้องให้นามตัวนีนั้นเอาหวีนั้นมาให้ตนเจ้านามวิสุนีที่เป็นพระอาหารหนะันต์้วท่านรู้ว่าถ้าว่าเราไม่เอาให้นี่แกจะโกรธ้าแเจ้โกรธให้แกเราอย่างนี้นะแกจะมีบาปมากกว่านั้นแต่ถ้าเราเอาให้นี่แกก็เป็นบาปอยู่แต่ว่าบาปไม่มาก ก็ต่อไปนี่แกจะได้เป็นคนใช้เขาบาปกรรมอันนี้นะว่างั้นพราะนาพิพุริวนั้นคิดได้อย่างนั้นนะตอนไรหยิบเอวิ๋นนี่มาส่งให้เนี่ยไปใช้ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงคุณธรรมอันสูงสุดอย่างนั้นนะมันเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะออ ไอ้ บ, บางคนน่ะอยังว่าเป็นลูกของพ่อของแม่เอาไปใช้พ่อแม่เอานั้นให้เอาอันนี้ให้เอาพ่อเอาเอาพ่อเอาแม่เป็นคนใช้แต่นี้ก็มีนะมันไม่รู้จักนั่นไงนั่นเป็นบาปพวกเป็นโลูกมาไปใช้พ่อใช้แม่หยิบอันนั้นเอาอัน <Saul> น <and Ronald> ี้ให้อย่างนี้นะเป็นบาปนะทำไมเข้า <atorium> ใจ <anda> แล้วต่อไปจะได้เป็นคนใช้เขาในชาติต่ตอไปคํามอันนี้นะมันจะบนโดนบันดาลใหชอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการศึกษาธรรมะนี่นะมันดีอย่างนี้แหละเราจะรู้ทางสิด ท, ทางถูกตัวคนได้ก่อนท่านทำมาแล้วทําอย่างนั้นนะ่ะแล้วมันได้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เล่าออนิทานให้ฟังมาอย่างนี้นะ มันก็เข้าใจได้ชัดเจนอ๋อทำอย่างนั้นนี่มันเป็นบาปจริงนะนี่มันก็ได้สำรวมระวังได้ไม่ไม่ทำต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจึงได้ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นานแสนนานก็เพราะอาศัยความประมาทนี้เองความประมาทพีมไม่สํารวมกายวาจาใจของตน ให้ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าความประมาทเมือม่อเมื่อไม่สำรวมตนให้ตรงต่อศีลต่อธรรมแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมมันก็เป็นบาปไปอย่างที่ว่านั่นแหละเอา้าทีนี้บุญก็ทำบาปก็ทำมันเลยได้รับผลในสองอย่างออื เมื่อคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นภกถึงถึงความเตื่อมเตื่อมลาบเตื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายาต่างๆประสบกับกองความภพ ก, กายภพใจโใครคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้เรียกว่าบาปกรรมมันอำนวยผลให้มันเป็นอย่างนั้น คนเรามันถึงได้เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาในโลกนี้นะให้เข้าใจไอ้ผู้ใดเกิดมาแล้วไม่มีโครคไข้แรงเบียดเบียนเจ็บป่วยกระเด็นเล็กน้อยทานยาแล้วก็หายไปอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่คำเวียนหนหลังอะไรหรอกมันเกิดจากความต้านพานของสภาพบินฟ้าอากาศในปัจจุบันนี้ไม่ได้ระงับ ว, วิบัติไปชั่วคาว พอวางยาสูกต้องแล้วมันก็หายไฟอันนี้ชีวิตของคนเรามันจึงเป็นมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างนี้แหละผู้ใดอยากมีความสุขสมอมเสมอไปถ้ายังท่องเที่ยวในสงสารนี่ก็ดีก็ให้พึ่งสำรวมกายวาจาใจจนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมให้ได้ อธิษฐานใจละเว้นจากทำรทั่วต่างๆเข้าไปเรื่อยๆไปเพราะว่าที่ร่วงมาแล้วเมื่อเวลายังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษมันก็ทำดีบ้างทำทั่วบ้างทำบาปไปบ้างอย่างนี้น ะ, ะเผ อ, เอามารู้ตัวแล้วอย่างนี้เราก็ภาวนาอธิษฐานใจว่าที่ข้าพเจ้าได้ทำบาปมาแต่ก่อนนันนะเื่องเกาก็าไม่รู้ ขอยอมรับว่าเป็นบาปจริงอย่างนี้นะเมื่อบันนี้มารู้แล้วรู้ว่ามันเป็นบาปอ่ะ น, นีะ่ตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตด์ความจริงอะ น, นี่ขอให้บาปความความชั่วที่ข้าพเจ้าลุมหลงทำมาแต่ก่อนนั่นนะจงลดน้อยขอยประวางออกไปจากกายจากใจข้าพเจ้านี้จนขวมจะหมดสิ้นไป เอาอธิษฐานใจละบาปตามของชั่วอย่างนี้เรื่อยไปภาวนาทีใดก็ดีอธิษฐานใจละเว้นไปเรื่อยๆไอ้แค่ น, นี้ใจเขาเราไม่เข้ากับบาปแล้วอธิษฐานใจละมันไปมัน ก, มนก็มันก็ค่อยหมดไปหมดไปบาปแล้วนะแล้วไม่ทําบาปใหม่เข้ามาสมทบเลยสำรวมกายวาจใจใจจนอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมเง้น สเสมอไปจนตลอดชีวิตยอย่างนี้น ะ, ะถ้ า, าว่ายังท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปมันก็เกิดดีเกิดมา้วก็ไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนอย่างร้ายแรงมีอายุยืนยาวนานมีร่างกายแข็งแรงมีรูปร่างสวยสดรดงาม อันนี้สงที่พูดได้ที่พูดพูดวาจาอ่อนหวานไม่พูดเท็จไม่พูดตอเสียดไม่พูด ส, สยดดายญาเพิดเจอ้อกระสางวูนเนี่ยเกิดไปพลาดใดเฉียงก็ภัยเนาะพูดออกมาหน้าฟังแล้วเมื่อพูดได้กับใครคนก็มักจะเชื่อ อั่นอ น, นิสงส์แห่งการเล่นจากมูสาวา่าอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอันที่พระองค์เจ้าห้ามไว้หมดแล้วนะรวจะบรรเ็นโทษทางนั้นเนะี่ยเป็นกรรมอะตามสนองอบางทีคนชอบโกหกบ่อยๆข้ออย่างนี้นะเกิดไปคาดหน้าเป็นผู้มีไม่มีลิ้นไก่เลยเขาเรียกว่าพนปากเกือบพูดไม่รู้เรื่องเลยทีนี้นั่นเอง โทษของมูสาวาตแต่มันขนด่านนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปเจอกันนะที่จะโกหกพูดโกหกปลมใครต่อใครมันไม่ดีแน่ว่าจะได้เงินได้ทองก็เขามามามาใช้อยู่ทั่วคราวหน่งหนึ่งก็หมดไปแต่บากรรมที่ตนทำไม่หมดนะวันนี้มันตามไปสนองเอาในชาติได้พบต่ อ, ตอไปนู่น พนนั้นต้องคิดบวกลบคูณหารการกระทําของตนเองอย่งางดังกล่าวมานี่แหะผู้นั้นก็จะกลนะัวแล้วเพราความทุกความที่บัติต่างๆนานาเนี่ยกลัวคำเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกผู้นั้นก็สำรวมเลยวันนี้นะการพูดจามาไยอะไรก็ต้องรมัดระวังอควรพูดก็จึงพูดไม่ควรพูดก็นิ่งอยู่เฉย ใครก็ไม่ว่าอะไรบางคนนิ่งไม่ได้นะถ้าเข้าสังคมแล้วเรื่อว่าหาเรื่องนะไม่เรื่องนั้งกต่เรื่องนี้พูดอยู่ยนั่นนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยเอมกลัวว่าเขาจะว่าตนพูดอะไรไม่เป็นก็ปล่อยเอาอสัดเต็มที่อลไอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะอัะนะี้หรือกลัวเขาว่าเราโง่เราพูดอะไรไม่เป็นมันไปเกิดความ ขยาคติลำเอียงกครามกลัวเป็นมันไม่โทจะไปกลัวอะไรในเมื่อตอนตอมีสติมีปัญญาละความชั่วทำความดีได้อยู่เนี่ยใครจะว่าโง่กระท่างสิจะเป็นไรอะ่ะไอคนโง่ในพุทธศาสนานี่ท่านท่านหมายเอาคนที่ทำความดีไม่ได้ ทำความชั่วได้นั่นท่านเรียก ว, ว่าเป็นคนโง่ในพระธรรมวินัยนี้นะนั่นแหละโงินข้ามคนฉลาดนั้นท่านหมายเอาบุคคลผูละทำชั่วได้ทำกรรมดีให้เจริญองอกงามขึ้นในตนได้นี่ท่านเรียก ว, ว่าคนฉลาดคนมีปัญญาแม้ว่าจะมีปัญญาน้อยหาทรัพย์สินภายนอกนั่นไม่ได้มาก เหมือนอย่างคนที่ร่ำรวยต่างๆมั้นก็ช่างนะเพราะพระเทเจานักปราทั้งหลายท่านก็พันธุสื่ น, นบุคคลผู้ที่ละชั่วทำดีได้นั่นแวละแต่ว่าคนผู้มีปัญญาสามารถเอาตัวรอดจากทุกในอับอายภูมิทั้งสีมีนรกเป็นต้นได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ ให้พากันรู้ความหมายแห่งธรรมะคำสอนของผู้เผยเจ้านี่อย่าไปหลงแต่ความนิยมสมมุติของโลกนั้นโดยส่วนเดียวโลกเขานิยมกันไปยังไงก็มักจะหมุนไปตามอย่างนั้นแม้ผิดศีลผีดธําก็ไม่ว่าคนสวนมากเป็นอย่างนี้นะแเดียกว่าพวกมากลากไปนี่ถ้าพวกมั่นอยู่ในธรรมพวกเห็นแจ้งในธรรม เหตุการณ์ในบาปบุญคุณโทษจริงๆแล้วอโลกคนมูงมากเขานิยมทํากันอย่างนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วมันเป็นโทษเป็นบาปอย่างงี้นะเราไม่ทําตามอืเราไม่ทามําทตามเขาใครว่าไงก็ช่างน ะ, ะเมื่อเรามองเห็นวนะ่ามันเป็นบาปเป็นโทษแล้วอย่าไปยกโทษคนอื่นก็แล้วกันเพียงแต่เราไม่ทําตามก็เอาละอืม แต่ถ้าคนมูวมากเขาทำอย่างนี้มันเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเราก็สนับสนุนอย่างนี้แหละเราก็ลงมือทำร่วมกันได้เพราะมันเป็นประโยชน์มันไม่มีโทษมันเป็นงั้นทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่กับจิตใจนี่โดยตรงเลยเมื่อใจฉลาดในธรรมแล้วมันก็อย่างว่านั่นแหละมันก็คัดเลือกจัดสรรทำมาแต่สิ่งที่มันไม่เป็นโทษนั้น ถึงได้เงินเป็นโทษก็เว้นเลยหาทางเว้นมันเป็นอย่างนี้คนฉลาดในธรรมผู้ฟังธรรมต้องรู้ธรรมต้องฉลาดในธรรมอย่างนี้ก็จึงเรียกว่าผู้ฟังธรรมฟังแล้วไม่เข้าใจเลยอย่างนี้บาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคุณโทษเป็นยังไงไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให อย่างว่านั่นแหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างคนเปนกันไปอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ ว, ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องคัดเลือกความชั่วออกไปจากกายวาจาใจให้หมดพยายามคัดจัดมันออกไปให้หมดให้ได้ไม่ได้เร็วก็ให้ได้ค้าก็เอานั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติธรรมประกาศตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วยังมีโมโหโธโสโยยังเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ไอ้อย่างนี้นะมันไม่ได้ผลนะการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ผลนะเดนันไม้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมันจะได้ผลก็เพราะว่าน้อมกายวาจาใจของตนลงให้ตรงต่อคําสอน ของผู้เจ้าผิดก็ได้อย่างนี้นแล้วความเห็นของผู้อื่นน่ะอาจผูกก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้อื่นเขาแสดงความเห็นอะไรออกมาเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าโอ้นี่มันถูกความเห็นของมันถูกต้องของเรานี่ไม่ถูกนีอย่างนี้แล้วก็เอาความเห็นของผู้มันถูกต้องแล้วไหมความเห็นของตนนี้ไม่ถูกต้องกันละมันทิ้งไป อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนอีกอย่างหนึ่งเมื่อตอนคิดเห็นอย่างไรมาแล้วก็มาเอามาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ความคิดเห็นนั้นมันก็ถูกต้องก็ใช้ได้แต่ถ้าขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องละทิ้งถั้งความเห็นด้านนั้น พยายามทาความไม่ได้ความเหอ น, นได้ตรงตามพระธรรมคำสอนไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกจิตใจของตนคัดเลือกเอาแต่ความดีไว้ในใจจย่งใดเป็นบาปเป็นคมชั่วเราสลามันออกไปเรื่อยๆจนขั่วมันจะหมดสิ้นให้เข้าใจไอ้คนชั่วนี่นหะ่ะมันเป็นขั้นตอนมาอย่างแต่อย่างงงา จนถึงอย่างละเอียดตันะไม่ใช่ว่ามีขั้นเดียวนะนันีอเอาความทั่วยำหยาอย่างหยาบนันคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นความทั่วย่างหยาบเป็นอย่างนั้นทำไมว่าย่างหยากก็เมื่อมันโลภเขาแล้วมันคิดเพ่งเลงอยากได้สมบัติพวกอื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะ ของตนมีโยชนิไม่จุใจไม่พอใจไปยื้อแย่งเอาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่สมัครใจจะให้เราเลยอืนี่มันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นแนละ้วก็เป็นบาปเป็นโทษแนละ้วมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความโลภความโกรธความหลงนี่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้คนเราผ้าสัตว์หนึ่งรักทัพยหนึ่ง เราเพลดิในกามหนึ่งกล่าวโมสาวา่าพูดเท็จหรือพูดคำไม่จริงนึ่งดื่มสุราเมลัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่นะท่านจึงเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบนั่นแหละให้เข้าใจพอเมื่อกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราสะสมมันมากๆแล้วมันเป็นเหตุได้ทำบาปข้างห้าอย่างนี้ หรือว่าทาอย่างใดอย่างหนึง่งทำหลายอย่างก็เพราะอาศัยกิเลสหยาบงยาบอันนี้แหละให้เข้าใจถ้าพอใจละกิเลสหยาบอันนี้ได้ผูนั้นก่ละบาปนั้นได้ไม่ทาบาปห้าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจทีนี้กิเลสจงกลางอันนี้ไม่ถึงกับให้ทำบาปมันเกิดขึ้นในใจของคนเราเนี่ย เช่นเกิดความรักความไข่อะไรขึ้นมาเอแล้วอย่างนี้นะแต่ไ่ถึงเราได้ไปทําบาปเพราะความรักนั้นเป็นไปคิดคุ้นอยู่ในใจใเฉยออันนี้มันก็เป็นกิดเลสอย่างกลางนะความชังก็เหมือนกันนะความพย า, ยาบามตรจองเวรต่างๆพวกนี้นะมันคิดขึ้นในใจแล้วแต่ว่ามันไม่ลงมือทํา ความคิดอันนั้นมันไม่แรงกล้าพอที่จะใช้กายวาจาไปทําความชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ความโกรธมันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างนี้เนียอืันนี้ความหลงความหลงความหลงอย่างหยาบไปอย่างว่ามันเป็นเหตุได้ทําบาปอย่างที่ว่ามาแล้วเลยทีนี้อย่างกลางก็ได้แก่ หลงรักหลงชังหมันนี่แหละแล้วชอบใจกับความหลับความนอนอได้นอนมากเท่าได้ยิ่งดีวันนี้เนระียววันหลงอะ่ะเพราะว่าบุงคเมื่อ น, นอนมากก็ไปเท่าไรแล้วมันก็ไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ละกิเลสตัญหาบ่พทําอะไรเลยอย่างนี้นะท่านเรียวว่าหลงแต่ปล่อยจใจได้ทุ่งท่าเลื่อนลอยไปทั่วพิภพอันนี้ ไม่มีที่สงบไม่มีที่หยุดยั้งลงได้เลยความคิดอันนั้นจับเรื่องใดแล้วก็ิดไปปรงุงไปแต่งไปจอนปลุกเสีย่ยงไว้โนบางทีก็เกิดความยินดีขึ้นมาในเรื่องที่ค น, ค, นคิดบางทีก็เกิดความยิน้ายความเสียใจขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับได้ไปทำบาปมนันเป็นเรความคิดวุ่นวายในใจเฉยอย่างนี้แหละ มันนีความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆของนี้นะอันนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างกลางอมันไม่ถึงกับทาบาปแต่ว่ามันกีดกันกจิตใจไม่ให้เข้าสู่ความสงบไม่ให้อย่างลงสู่ความสงบได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ ให้ศึกสา้รู้กิเลสอย่างกลางนี่นะเมื่อเรารู้ลักษณะอาการข้มามันแล้วเราก็มาเพียรกับพยายามกำหนดใจละมันเร่ความรักความชังความเหยีบาดอะไรหมดเลยอยาให้มันมีอยู่ในใจต้องเจริญอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์แล้วมันจะบรรเทาเสียได้ซึงความรักความคล้อย จะเรินเมตตากรุณาให้มากขึ้นในใจแล้วมันจะทำให้ความโกรธอ น, นั้นวันเทาเบาวางลงเจะเรินปัญญาให้มากเข้าไปมันก็จะลบล้างความหลงความเข้าใจผิดต่างๆในหัวใจนั้นออกไปใจนั้นจะมีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบเห็นว่านามรูปขันธ์นี่เป็นอนิจจังทุขังอนัตตาไม่เที่ยง เอเห็นทุกข์เพราะในยากลําบากบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงถ้าเห็นว่าธาตุสี่กันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงยั่งยืนเป็นของสวยของงามอ่าเช่นนี้เรียกว่าเห็นผิดจากความเป็นจริงอือเราก็มีเครื่องเทียบกันอยู่อย่างนี้แหละ เพราะนั้นให้สํารวจตรวจดูความคิดเห็นของตอนทุกคนนะว่าตนเห็นอย่างไรอ่ะเห็นขันห้านี่นะถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถูกต้องอมเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็วางสี่แบบ น, นี้อย่าไปถือมั่นไว้หัดปล่อยหัดวางสอนใจให้ปล่อยให้วางลงไปอย่าไปคิดอย่าไปปรุงไปแต่งอะไรต่ออะไรไป ถ้าเราคิดพรุงแสงแค่ตรงเป็นสังขารแล้วเนี่ย น, นะเอ่าเป็นนามธรรมาแล้วอันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้อารมณ์เรื่องต่างๆออกไปภายนอกนั่นมันก็เป็นวิญญาณแล้วอย่างงี้นะเป็นปัญญาความจำความหมายถ้าเราหุดคิดลงไปเสียให้จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสติสมัมปชัญญะประคองอยู่ไงีย เขาเรียกว่าเราหัดพงหัดวางขันห้าลงเลยแต่ถึงจะพงไม่ขาดแต่ก็พงได้ช่วระยะหนึ่งก็เอา อ, อย่างนั้นถ้าจะปงหันห้าให้ขาดได้จริงๆก็ต้องเจริญปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงของนามของรูปอันนี้มีอุบายปัญญาสอนใจเข้าไป ให้มันเกิดความสังเวชตลดใจเบื่อหน่ายในความทุกข์ในความไม่เที่ยงของขันห้าอันนี้อืมความที่ขันห้านี่ไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเนี่ยมันควรเบื่อหน่ายไม่ใช่เหรืมเพราะว่าคนอาศัยมันอยู่ทุกวันทุกคืนได้แท้คนตัมันรักษามันอยู่ให้ข้าวให้น้ําอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ยังบังคับไม่ได้เลยแบบนี้นะอืม โอขอให้เรามีอายุยืนไป100ร้อยปีเถิดอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปให้เนี่หลนะเราใช้ปัญญาอุบายพิจารณาอย่างนี้ลงไปนะ่ะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานนเบื่อหน่ายคนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเือมันบังคับไม่ได้มันก็มีแต่ทุกข์เท่า น, นั้นแหละวันนี้จิตที่อาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันหานี่นะมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาดูให้ดีอย่าไปตีตนตายก่อนไข้ว่าเอ อ, เ, อ, อเรานี่มันทำยังไงมันก็ฟงไม่ได้เราขนหน้านี่วางไม่ได้หรอกเราไปแสดงอาการท้อใจเสียเลยอย่างนี้นถ้าไม่ตนยังไม่ได้ลงมือทำาหรือว่าทำไปนิ ด, น ด, นดหน่อย เมื่ันปรงไม่ตกวางไม่ลงแล้วก็ท้ใจเลยอย่างนี้ยไม่ถูกต้องนะเอาเทียนนวลไปอยู่นั่นแหละเราวางสันหาเลิมชั่วครูหนึ่งก็เอาชั่วนาทีหนึ่งสองนาทีก็เอาอย่างงี้นะเราเก็บเล็กผสมน้อยไฟอะ่ะอเราเทียนด้วยยามปงวางเรื่อยไปอย่างงี้มันก็ปงได้นานๆเข้าไปแล่ะเนี่ยนเะมืม่อเมื่อมันทำเข้าไปโดยนะ มันก็พงก็วางได้นานเออเมื่อจิตใจที่มันพงวางขันห้าอะไรมันก็เบาปลอโปร่งไม่อึดอัดไม่ขัดข้องนี่นะลักษณะของจิตใจที่มันปพงมันวางขันห้ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันลงมือทําต่อไปในบันนี้แหละวันนี้ก็จะได้ขอจบธรรมบรรยายเพียงเท่านี้